1. จีวรวัต 10. ราชาสิขาบทว่าด้วยพั์เป็นข้าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้โทษนำมาถวายเรื่องพระอุปนันท飒กัยบุตร537สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมหาอ ทางของท่านพระอุปนัน tha สากยบุตรส่งทูษไปถวายทรัพย์เป็นค่าจีวรและสั่งว่าเธอจงเอาทรัพย์เป็นค่าจีวร น, นี้ซื้อจีวรแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันท h ให้ครองต่อมาทูษนั้นได้เข้าไปหาท่านพระอุปนัน tha สากยบุตรถึงที่อยู่รั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญกระผมนำทรัพย์เป็นค่าจีวรมาเจาะจงท่านนิมนต์ท่านรับทรัพย์เป็นค่าจีวรเถิดขอรับ เมื่อทูตกล่าวอย่างนั้นท่านพระอุปนันทากยบุตรได้กล่าวว่าอาตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามการเมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นทูต ถ, ถามว่ามีใครผู้เป็นวยาวจักรของท่านบ้างไหมขณะนั้นอุบาสกคนหนึ่งมีทุระไปที่วัดท่านพระอุปนันทากยบุตรจึงกล่าวกับทูตว่า อุบาสกนี้เป็นวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายโทษนั้นจึงตกลงกับอุบาสกแล้วเข้าไปหาท่านพระอุปนันท h a สักยบุตรถึงที่อยู่กล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมตกลงกับอุบาสกที่ท่านแนะนําว่าเป็นวยาวิจกรแล้วท่านจงไปหาในเวลาอันสมควรเขาจักนิมนต์ท่านให้ครองจีวณต่อมามหาอมาตสง่งโทษให้ไปหาท่านพระอุปนันท h a สักยบุตร ให้กลาบเรียนว่าขอให้พระคุณเจ้าจงใช้สอยจีวรเถิดกพระผมต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้จีวรนั้นท่านพระอุปนัน t h าสกยบุตรไม่กล่าวอะไรกับอุบาสนั้นแม้ครั้งที่สองมหาอมาตย์ก็ทรงโทษให้ไปหาท่านพระอุปนันทศาสกยบุตรให้กลาบเรียนว่าขอให้พระคุณเจ้าจงใช้สอยจีวรเถิดเพระผมต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้จีวรนั้น แม้ครั้งที่สองท่านพระอุปนันท h สักยบุตรก็ยังไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกนั้นแม้ครั้งที่ส ม, มหาอมาตย์ก็สงทูตไปหาท่านพระอุปนันทะสักยบุตรให้กราบเรียนว่าขอให้พระคุณเจ้าจงใช้สอยจีวรเถิดกระผมต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้สอยจีวร น, นั้นสมัยนั้นเป็นคราวประชุมของชาวนิคมก็ชาวนิคมได้ตั้งกฎเกณไว้ว่า ผู้มาประชุมล่าช้าต้องถูกปรับ50กหาปณะนะต่อมาท่านพระอุปนันท飒กาจยบุตรไปหาอุบาสกถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวว่าอาตมาต้องการจีวร อ, อุบาสกกล่าวว่าโปรดรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับวันนี้เป็นคราวประชุมของชาวนิคมและชาวนิคมได้ตั้งกติกณฑ์ว่าผู้มาประชุมล่าช้าต้องถูกปรับ50กหาปณะนะ ท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรกล่าวว่าจงถายจีวรนอัตมาวันนี้แหละแล้วยึดชายพวกไว้อุบาสกถูกท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรเราจึงได้ซื้อจีวรถวายท่านพระอุปนันท h a สักยบุตรแล้วไปประชุมไล่ช้าชาวบ้านถามว่าเหตุไรท่านมาไล่ช้าท่านต้องเสียค่าปรับ50กหบะหาปณะที่นั้นอุบาสกจึงเล่าเรื่องนั้นให้ชาวบ้านเหล่านั้นทราบ พวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโผนธนาว่าพระสมณะเชื่อสายศักยบุตรเหล่านี้มากมากไม่สันโดษยากที่ใครๆจะให้ความช่วยเหลือสมณะเหล่านั้นได้ขณะท่านพระอุบนันธสักยบุตรเมื่ออุบาสกกล่าวว่าโปรดรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับก็ไม่ยอมรอภิกสุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประนามโผนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตาหนิประนาม โนทนาว่าขณะท่านพระอุปนันท h สากยบุตรซึ่งอุบาสกขอร้องอยู่ว่าท่านผู้เจริญโปรดรอสักวันหนึ่งก็ไม่ยอมรอครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันท h สากยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ